ดูแลคุณสีเพนจัตุทศีช่วยกันบริจาคเงินเป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือนคนงานโรงพิมพ์และคนงานศูนย์พัฒนาศาสนาในวาระครบรอบหนึ่งร้อยปีชาติการของอาจารย์พรรัตนาสุวรรณเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18, สิบแปดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดได้ทอดกระถินสามาัคคี ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาและคณะสิทธิ์ได้ร่วมกันตั้งวันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปีซึ่งเป็นวันที่อาจา ร, รพรรัตนสุวรรณลากกายเนื้อเข้าสู่ภูมิทิพย์เป็นวันกระตันยูอาจา ร, รพรรัตนสุวรรณเพื่อมาร่วมกันลำลึกถึงอาจารพร อ, อ่านประวัติแสดงความรู้สึกนึกคิดใจถึงใจ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 งานวันกตัญยูอาจา ร, รพรรัตนาสุวรรณครั้งที่เจ็ดวันอาทิตย์ที่ย5สห้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดณวัดนากตกถนนเทิดไทย49เขตภาษีเจริญกทมอกำหนดการงานเริ่มตั้งแต่แปดนาฬิกาเจ้าหน้ า, นาที่ของวัดจัดเตรียมด้านศาสนาพิธี จัดโต๊ะมูบูชามีภาพวาดอาจา ร, รย์พร ร, รัตนาสุวรรณประดับตกแต่งด้วยดอกกุหลาบและดอกกล้วยไม้หลากหลายสีตั้งเป็นประธานโดดเด่นสวยงามสถานที่ส่วนสาธยายพุทธมนต์โต๊ะเก้าอี้อาหารหลักอาหารว่างเครื่องลื่มของผู้ที่เข้ามาร่วมงาน จัดเตรียมด้วยความเรียบร้อยมีระเบียบสวยงามภายในศาลาทานวรมีคณะสิทธิ์หลายวัยเริ่มทยอยเข้ามาในห้องถงทักทายกันด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสชื่นบานมีศรัทธามีน้ำใจเสียสละมาร่วมทามบุญราลึกถึงอาจารย์พรรัตนาสุวรรณ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีตาคุณที่ท่านบำเพ็ญคุณประโยชน์ไว้ในพระศาสนาเป็นอนเนกประการควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณคุณสีเพนจัตุทศีเล่าว่ารุ่งอรุณของวันอาทิตย์ที่25คกุมภาพันธ์สองพัากบรรยากาศของโลกทิพย์ภายในวัดนาคโปรก มีพลังแสงสว่างสดใสพลังแสงฉับพันรังสีหรือสีรุง้งผสมผสานด้วยแสงสีเงินสีทองจากพลังของเท พ, พเจ้าจำนวนมากมายมวลเหล่าโอปปติกะที่มาร่วมงานเป็นเท พ, พเจ้าจากดุสิตาเทวโลกและมาจากภูมิอื่นๆด้วยเทพเทวาแต่ละชั้นแต่ละภูมิ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 และเสียงดนตรีไพเราะเพราะพิ้งแผ่วแววอยู่ตลอดเวลาทำให้บรรยากาศโดยทั่วไปกระจางสงบเยือกเย็นภายในห้องถ ư งใหญ่ของที่ประชุมผู้คนมากมายหลายชาติทั้งคนไทยแขกฝรัง่งจำนวนมากต่างเดินมาเลือกหาที่นั่งตามภาวะและสถานะของตนเอง ถึงผู้คนจะมากมายแต่ก็มีความสงบพร้อมกับแฝงไว้ได้วยความรื่นรมแสงและสีที่สะท้อนออกมาจากเครื่องแต่งกายแต่ละคนผสมผสานกันอยู่ในบรรยากาศที่มีแสงฉับพรังสีหมุนเวียนรอบช้าๆอย่างสวยงามมีกลิ่นหอมสดชื่นและเรื่อนรวยรินแช่มชื่น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 คือเหมือนกันอยู่ตลอดเวลาท่านเว่ยลางพระสังฆปรินายกองที่หกของศาสนาพุทธนิกายเซนในประเทศจีนได้ให้เกียรติมาร่วมงานวันกตันญูอาจารพรร่วมกบมวลเหล่าเทพเจ้าจากสังเวชนียสถานในแดนพุทธภูมิท่านมานุโมธนาด้วยความยินดี ในความกตัญญูของคณะสิทธิ์ที่มีต่ออาจารย์พรรตนาสุวรรณมวลเหล่าเทพเจ้าส่งพลังแห่งความสุขให้ทุกคนรำลึกถึงพระคุณขององค์พระบรมศาสดาซึ่งได้ให้พระธรรมอัลล้ำเลิศเปรียบประดุดประทีปชัชวานส่องสว่างทำลายอาวิชาความมืดให้อันตราฐานหายไป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 มาร่วมตั้งจิตอธิษฐานให้ทุกท่านประสบความสุขบริสุทธิ์สงบสว่างสดใสด้วยพุทธธรรมมองไปโดยรอบเห็นทุกท่านนั่งอยู่โดยสงบมีแสงฉับพลรนรังสีที่โต๊ะหมู่บูชามีภาพอาจา ร, รพรรัตนสุวรรณประดับด้วยดอกไม้เงินดอกไม้ทอง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 เห็นดวงดาวพร่างพราวอยู่ท่ามกลางแสงสว่างตอนกลางวันแต่เป็นแสงสว่างที่เย็นสบายต่อในตาพระนางจามเทวีพ่อขุนสีอินทราทิศพ่อขุนผาเมืองพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพ่อขุนเมงรายมหาราชพระเจ้าอู่ทองสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรส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 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและอดีตบุรภาพมหากษัตริย์ที่ราชทั้งหลายท่านยังคงสถิตอยู่ยังห่วงใหญ่และให้ความคุ้มครองพระศกนิกรของพระองค์อยู่เสมอบรรดามวลเท พ, พเจ้าซึ่งแต่งกายด้วยผ้ากาสาวะสีเหลืองทองกระจ่างนวล น, นั่งสำรวมอยู่ด้านหน้า หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในโลกทิพพระฤาษีสราากัสสมเด็จอุปชาสมเด็จพระวรนรัตเฮงเข็มมาจารีสมเด็จพระสังฆราชแผ่วัสุทัตท่านเจ้าคุณพระสุเมธาธิบดีอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพอาจารย์เสถียรโพธินันทะท่านพระมหาจัารัต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 รูปรักษอยู่ในวัยหนุ่มสาวงานนี้เป็นงานบำเพ็ญกุศลในโลกมนุษย์ที่ยังความสมนัสปีติปราโมชให้เกิดขึ้นแก่มวลเทพเจ้าโอปปติกะทั้งพวงอาจารย์พรแต่งกายด้วยชุดครี ย, ยาวสีฟ้าอ่อนจางใสสอดสลับด้วยดินเงินระยิบระยับยิ้มแย้ม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 ชีวิตที่ดีที่สุดคือสงบเย็นและเป็นประโยชน์คุณแหลมโรจนาโกศลแซ่โอวหัวหน้าครอบครัวโรจนาโกศนเป็นประธานฝ่ายคณะญาติและคอยมาต้อนรับคณะญาติในโลกทิพย์ที่ได้มาร่วมงานด้วยความตื่นเต้นยินดีคุณแหลมรีบเข้าไปกราบต้อนรับคณะญาติมิตรกรุงเทพไทย โดยการนำมาของคุณประเสริฐบุญบรรเจิดสุขและคุณอาโยงแท้ชัวติดตามมาด้วยคุณพ่อใจเกียงแท้แต้คุณแม่แ ง, เงกเกียวแท้เลี้ยงคุณมาลายสีสุนทรยลักษณ์เจลอคุณพ่อเล็กคุณแม่สินีถนัดธรรมกุลและลูกชายลูกสาวทุกท่านพีติยินดียิ้มแย้มแจ่มใส มีความสุขเมื่อได้มาเห็นได้เข้าใจในการกระทำอันไปกุศลเจตนาของลูกหลานและทุกครอบครัวมีความเจริญก้าวหน้าก็ก่อให้เกิดสันติสุขเกิดขึ้นในจิตใจผู้ที่มีโอกาสได้กระทำการกรุศลร่วมกันแม้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ตามจะเกิดอานิสงส่งให้ได้มาพบ และเจอแต่สิ่งที่ดีงามคณะญาติพี่น้องของพวกเราอีกหลายกลุ่มอยู่รวมกับผู้คนอีกมากหน้าหลายตาต่างยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงความยินดีเป็นมิมตรไมตรีทักทายปลาสายกันอย่างสนิทสนมร่าเริงสดชื่นอิ่มเอิบเบิกบานใจบรรยากาศโดยทั่วไปรื่นเริงรื่นรม มีความสุขสบายในงานมงคลมหากุศลอาจารย์พรได้กราบนิมนต์ให้หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเทศนาโปรดญาติโยมเสียงสวดสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณและสังคุณเป็นท่วงทานองเมื่อพระคุณเจ้าทั้งหมดนำสวดพระพุทธมนต์เสียงสวดพุทธมนต์จากอีกมิติหนึ่ง ก็ดังผสมกลมกลืนกันกับเสียงที่ดังขึ้นในโลกมนุษย์รู้สึกคล้ายกับอยู่ในบรรยากาศบางใสนุ่มนวลด้วยไอระอองของพลังชีวิตเยือกเย็นสดชื่นอยู่ทุกขุมขนทั่วสารพางกายอยู่ท่ามกลางแสงนวลกระจ่างซึ่งมองเห็นคล้ายมีผู้คนมากมายแต่งกายด้วยเสื้อผ้าดินเงินสลับทอง มีการเคลื่อนไหวราบกับว่าร่างของแต่ละบุคคลห้อมล้อมด้วยเหล่าดวงดาวอันทอแสงระยิบระยับอาจารย์พรดีใจและปลื้มปีติปลาโมดมากที่ทุกคนในโลกมนุษย์ยังระลึกถึงและพร้อมใจกันที่จะบำเพ็ญกุศลมีเทพเจ้ามวลเหล่าโอปปติกะต่างมาร่วมกันอนุโมทนา เพราะงานนี้คล้ายกับอาจารย์พรเป็นเจ้าภาพความรื่นรมของแต่ละท่านก่อให้เกิดเป็นเสียงดนตรีไม่ทราบว่าเป็นดนตรีชนิดใดแต่ก่อให้เกิดความเบาสบายสดชื่นและเป็นสุขอย่างลึกซึ้งอาจารย์พอรอนุโมทนาขอบใจและชื่นชมกับความกระตันอยู่ความตั้งใจ ความปรารถนาดีอนุโมทนาขอบคุณกับผู้ที่เดินทางมาร่วมงานและทุกคนที่ไม่ได้เดินทางมาร่วมงานด้วยตนเองแต่ก็มีจิตเป็นกุศลศรัทธาร่วมบริจาคขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญเข้าใจถึงสภาวะความเป็นไปของชีวิตให้ได้ไปเกิดในกลุ่มกัลยาณมิตรสัมมาทิฏฐิ ให้ได้พบแสงสว่างกับทั้งได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปตราบเท่าที่ยังมีการเดินทางในสังสารวัฏโดยทั่วกันทุกๆคนจงตั้งจิตให้แน่แน่ทำสิ่งที่เป็นกุศลอยู่เสมอ อธิษฐานให้ความสงบเยือกเย็นและสันติสุขความอุดมสมบูรณ์บังเกิดขึ้นแก่แผ่นดินทั่วโลกมโนปุปพังเขางา้ามาทำมาวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลาย All that we are is the result of what we have thought อันหนึ่งคุณชาลิกาได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า